กลับมาดูนะครับในบทสอวิธีนะหน้ารขอสิบเจ็ดมั น, นก็ไม่ยากเลยนะครับข้อยี่สิบกนะ ค, ะครับพิ่ส<ด>ืบุตไใดขอได้มาด้วยตนเองแล้วให้ช่างถูกพอจีวอร์ต้องอาบัดปาจิติีที่มีกา ร, สรยรสลไปะเป็นวิหนกรรอัน น, นี้หมายก็ว่าขอได้นะไม่ได้ขอจีวอร์ เอาคอนไม่ใช่ยากไม่ใช่ปอนานะครับที่นี้ถ้ายากกอนาไม่มีปัญหาหรอขอได้แล้วก็ขอเพื่อเอามาให้ช่างถูกเนะี่ยช่างทอผ้า น, นะครับที่ไม่ใช่ยากไม่ใช่ปอนาอีให้พอให้นะครับแต่ว่าความจริงได้เนี่ยมันขอได้นะไม่ต้องลำบากหรถ้าขอในกคนกที่ขอมาแยกจีวรนะครับเราไม่ได้ขอเพื่อจะมาให้ช่างถอดจีวร แต่ถ้าขอมาขึ้นมาเยติโยนเฉยมันใช้ไม่เยอะใช่ไหมย้อนกลับมาขอได้ตลอดอย่างนี้ครับเยังไม่เยอะหรอกอันนี้แม่ของแม่ขอคุณไม่ใช่ยาไม่ใช่บัวนะก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีอาบัตนครับนี้เรนเพียงแคือเพราะว่าไปขอเข้ามาเพื่อจะไม่ช่างทอที่วานะตอนนี้ที่จะเป็นนิสิตีนะครับมันต้องเป็อากาศเปียงสองฝ่ายแกได้ตัวเองขอมาก็ไปขอคนไม่ใช่ยาไม่ใช่บอวนะ ช่งผมที่จะเป็นปัญญาสาก็ไม่ใช่ยากั้นใช่โกรนะครับมันต้องปิดทั้งสองฝ่ายนี้ญี่ป็นลิสสกเท่านี้นะแต่ถ้าปิดแค่ฝ่ายในฝนะ่ายเดียวนี่ยอ้ า, าอมัดเบาลงนะครับเป็นแค่ทุกดนะเป็นทุกขดนะครับนะแต่ถ้าถ้ามันถูกทั้งสองอย่างเลยอ่าคนที่เราเป็นขอก็ขอได้ใช่ไหมก็เป็นยากเป็นโอรนาด้วยช่างหูก็เป็นยากเป็นโอนะอันนี้ก็มันเป็นไรที่มันยากก่อน น, นี่มาถึงแล้วต้นมันยังไม่มาใช่ไหมสมัยก่อนเขาใช้ทอนะครับโอ้ทอมจีวรเข า, า, าเ น, นั้นไม่ลช้เวลานี้นี่นี่จีวนาหนึ่งพันเจ็ดเจ็ดสมัยแค่โอ้แคตัดเย็บใช่ไหมก็มใช้จีวรนะใช้เวามากนะครับอันนี้ทอนะใช้เวลานี่นะครับเรื่องข้าศึกขี่โดยสมัยนั้น ว่าพระคุทธเจ้ากระทำอยู่หน้าพระเวรุวันอันเป็นสถานที่พระจะทานอย่างแกะกระแตเขตพระนครราชพฤกษ์ครั้งนั้นถึงคราทำจีวอนพระเจ้าพุทธคีขอได้เข้มาเป็นอันมากขอได้มาพุทธมาเยกจีวอนทำจีวอนะครับแต่ถ้าขอมาเยอะเกินนะแม้ทำจีวอ เ, รรรเสร็จแล้วได้ก็เหลืออยู่เป็นอันมากครับจึง พ, พระเจ้าพุทธคีได้ปรึกษากันธรรมอาลุ โ, โสรองหลายผีฉะนั้นพวกเราทานกันไปขอหน้าไหม ให้ช่างหลพอจีวอเถนะครับขอเสียดของไปขอเพิ่มมาดีกวแล้วช่าพอจวอให้เลยนะครับครั้นไปขอได้ม็ึซมาแล้วให้ช่างหลวพอจวนนะครับแม้พอจีวอแล้วใต้ก็ยังเหลืออยู่อีกมากมายเพราะกา่คงขอมาเยอะจรินะเนี่ยแต่พอจีวอนไปด้เถิดนะครับยังเหเยอะนลยเจงให้ไปเึงไปขอได้แม็กซ์อีมาเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วนะให้ช่างหลพ่อจีวนอีกเป็นครั้งที่สองนะครับ ม <gibt> แม้ขอจีวรแล้วได้ที่ยังเลืออีกมากมายครับแกที่ยังไม่รู้จักขอนะยืงไปขอได้แม้อีกมาเป็นครั้งที่สนะครับให้เจ้าหนุ่อจีวรอีกเป็นครั้งที่สามครนี้ชาวบ้านเนี่ยอไม่ไหวแล้วนะเนี่ยมือขอเกินแบร์ก็เลยพาคนแพ่งเข้าไปเตือนบนหนาว่าฉะนั้นพระเจ้าแม่าคเชอสายวัญรบุตรจึงได้ขอได้เขามาเองแล้วยังเจ้าหนุ่ให้พอจีวรลีก มาพิสทั้งหลายที่รู้มากนะสุดยอดแต่ก็เพ่เทนทธานาและก็การีุขเจ้า ส, สาัมมาสัมพุทธเจ้องค์ประชุมสองทรงสอบถามทรงติเตียนพระสัพพคีแลวก็ที่จุดมัญญะถามหมดนี้ขึ้นมานเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็คงจะยากคงจะยากนะสมัยนี้นะที่จะไปขอได้ไหม ไอช่างมาพอจีบอนั่นเนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเพราะว่าต้องมาตัดมาเย็บมาย้อมสมัยนี้เขใช้เครื่องนั้นแหละใช่ไหมครับใช้เครื่องนะถ้าใช้ทอมือก็คือแบบแถวบ้าน้อกใช่ไหมอันนั้นก็ใช้ผ้าป้ายมันมันจะเป็นผ้าเนอหยาบหน่อยใช่ไหมครับที่เขามาพอมาดูในการขาเลยนะครับหน้าร้อยสีสิบหก หกอธิบายสุดตัง ว, วิญญัติสิกขาบทสิกาบทที่ว่าด้วยการขอร่างกับคนไม่ใชยามไม่ใช่ปอ น, นะนะพึงทราบอธิบายสิกขาบทที่หกต่อไปคําว่าสุดตังหมายถึงด้าหกชนิดก็ได้มีด้าที่ทํามาจากเปลือกไม้เด่ต้องที่ผมเขียนให้ในข้างบนนะยังมาจากเปลืองไม้ฝ้ายไม้ขนสัตว์ป่านแล้วก็ของห้าอย่างเกี่ยวกัน หรือว่าด้วยอ่ะหรือได้นะสมควรที่อนุโลมเข้ากับด้านของชนิดนะก็สมัยที่้ยายนั่งคอหน้าสัมผันี้นะก็ได้นะครับคำว่ามียาใบตะวันแปลว่าขอมาเพื่อทำเป็นจีวรนะครับไม่ได้ขอมาเพื่อเย็บนะถ้าขอมาเพื่อเย็บจีวรเย็บบริขาเนี่ยได้ใครอยู่นะอันนี้ขอมาเพื่อทำเป็นชีวรให้เขามาทออ่ไรนี่นะไม่ได้คําว่าวายาเปญยะความว่า เข้าสารด้วยอาการที่ไม่สมควรว่านด้ยัดถอใช่ไหมเข้าถอนะ เพื่อจะทอสีวท mm ุกความพยายามของช่างหีนนั้นเป็นเหตุให้พิสูจน์นั้นต้องบัตรทุกกฎต้องทุกกเลยแม้แต่ว่ายังไม่มีเครื่องมือและเข้าไปในป่าไปฟันไม้ฟันอะ้รเพื่อมาทําเครื่องมือเนี่ยถ้าก็โดนบัตรทุกกฎปเรื่อยนะครับทุกความพยายามเข้าไปนะครับหน้าท้ามาต้องบัตรเสียเปล่าสิทีนี้เครื่องทอผ้าสมัยก่อน ข้แบบบ้านนอกนะเครืค่องข้อข้ามันจะง่ายง่ายมากไม่ค่อยมีอะไรนะมันก็จะมีมันไม่ใช่่งเครืองข้อ้ามอะไรทุกอย่างที่ดีนะครับมันก็จะมีอันนี้นะไม้อันหนึ่ง น, นะครับแล้วก็เขาจะมีเชือกมันนะเขาจะใช้ไม่เชือกมันร้องแล้วก็มัดติดข้างบนนะครับเนี่ยนะสองอันและไอ้ท่าเขาเน่ยเขาจะมีวิธีที่ใส่เข้าไปใช่ไหมใส่เข้าไปก็าจะยามมันตรงนี้ เอมันก็จะนั่งมาเนี้ยนะคนจะนั่งแล้วก็เขาจะเหยียบนะครเหยียบพื้นนะกับตัวเนี้ยมันจะตันไปเลยหรือว่าไอ้ตัวเนี้ยไปทานี้ใช่ไหมครับมันจะกิบตาอะไรนะเวลาเรารองทอคาับขาี่เหยียบข้างหน้าข้นมันตึงตัวพอดีมันตตัวดีนะก็เหยียบแล้วก็ทอที่เลยะครับก็เป็นกํามนี่นะมันจะไม่หมุนนะ เป็นเครื่อชทอผ้ามาแล้วนะครับโอครับทอ้ากีตุกเคร้ยอง้นมันมทำของเนี่ยและแล้วก็เติมกระสุนใส่เข้าไปอันหนึ่งแล้วก็ทอทอเครื่องไม่ให้ดีเครของทอเป็นไม้อันหนึ่งนะัแหละนัน บ้านนั้นไปที่แม่น้ำเองแถมแม่น้ำมีมีพวกอำรุนพวกอะไรเยอะนะครับมึงก็คลัวมันสุดทีนะวิ่งกบมานะครับ mm hmm. บ้านก็พ่อก็ไม่มีวิ่งไปในนบไปเจอพ่อนะพี่พ่อช่วยพ่อก็เป่าใส่าค <laughs> าถาให้อไล่เวรบุญเลยว่าแกละแล้วก็เอาเล่ามาทนแล้วก็ไล่ บางทีนเนี่ยนหลัือทรงบัญญัติไม่แล้วเพราะเหตุเคยการให้ช่างผูกทอจีวรสินค้าตัวนี้เป็นสาธารณบัญญัติพิเศีก็มีเหมือนกันอนั น, นติกาไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับใครไปขอเองสั่งซื้อผูกเองก็รับผิดชอบเองเรคนเดียว <c oughs> พิสูจน์เอาได้ที่ตนขอมาและให้ช่างผูกที่ขอมาทอให้ ก็หมายความว่าเป็นออกภพทั้งสองฝ่ายนี่ม่ใช้ยาไม่ใช่ตัวน้ำสองฝ่ายเลยเมื่อข้อทอไปทางด้านนะครับไม่ใช่ด้านไหทางด้านยาได่ประมาณหนึ่งคือด้านกว้างทอได้หนึ่งสองนะครับตรงไหนที่เรียกว่ายาในตรงนี้นะตรงนี้หรือว่าตรงนี้ที่เรียยาไปขึ้นเท้านี่แหนะ่ป็นกว้างนะนักว้างเข้มาณลักษณะนี้เพราะระยาเนี่ยมันจะยางกว่านะ กว่ามันกว้างนั้นไม่ได้นล้วมันได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ตอกไปถ้าเขาตัดระยะไว้ใช่ไหมให้กว้างหน่อแล้วก็ทอให้ยาวยาวห น, นึ่งครับเนี่ยท่านบอกว่าถ้าว่าได้ด้านยาวนะประมาณหนึ่งคืดนะครับด้านกว้างประมาณเนี่ยด้าน ย, านยาวหนึ่งคือด้านกว้างพอได้หนึ่งสองเนี่ยออด้านกว้างเราทอไมได้หนึ่งสองทอ ไ, ไ, ดได้เยอะคือคือว่าอันเนี้ต่อกว้างกว่า พอได้คือเดียวใ ช, ใช่ใช่ใช่ต้องนะครับอห็นน่ข้าวนะครับมันกว้างแค่สองดีจิใช่ครัคบเอบาความกว้างเขาอยูแค่นั้นนะค่อสองไปเนี่ยอย่างแค่คือเดียวสู้ครับอันนี้แค่แค่นี้นะก็ต้องมาที่เยอยไปหนึ่งตีนะครับเรียกว่าได้หนึ่งพังนนหนึ่งพันฮะก็ต้องเป็นหนึ่งตัว เพราะเห็นนั้นจีวรเขาทอขยายไปขนาดเท่าใดอาบัติก็เพิ่มจํานวนไปตามประมาณนี้เท่านั้นครับก so, so, kind of ็จต่ละพังแต่ละพังแตพั้หนึ่งเพิ่มหนึ่งพังเพิ่มสองไปเรื่อยๆครับก็หน้าไปก็ด้วยเหตุนั้นเองเมื่อให้ทอด้วยได้ที่ตนได้มาหรือไม่ได้ขออันนี้นะครับเนื้อความต้องต้องเปลี่อย่างนี้นะ อันนี้ให้ให้แก้ที่ผมโยนลูกสอนสลับกันนะครับต้าบันิเซียไปตีนะครับต้าบันิเซียไปตีคือเพราะว่าเมื่อให้พอด่วยได้ที่ตอนได้มาหรือไม่ได้ขอเนี่ยมันจะมาเชื่อเพราะว่าในฐานะนี้ต้องมาทุกขดตรงนี้นะครับผมไปโยนสอนลงไปข้างน้างครับมันจะต้องอยู่ข้างหน้าคําว่าในฐานะนี้ต้องมาทุกข์กดจอยู่หน้าตรงนี้นะ นี้เราต้องอ่านตรงนี้ก่อนว่าอ่าตรงคําว่าต้องอ่านปฏิเสธไปดีตามในที่กล่าวไว้ก่อนคือว่ามันติดต้องสองขั้วที่มันปฏิเสธไปดีแต่เมื่อให้ขอด้วยได้ที่ตนได้มาหรือไม่ได้ขอคือโยงเข้ามาสวายหรือว่าน่าจะยากอนะ อ, อันนี้ได้าบริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่ว่าไปใช้ช่างผุ้มที่ไม่บริสุทธิ์ในฐานะนี้ก็ต้องอับบทุก่อน ข้อเห็นนั้นนะครับแล้วก็หมายควว่าฉันนั้นเลยนะข้อเห็นนั้นที่สู่ให้เขาขอด้วยได้หรือเขาก็ได้ต่อไปที่ขอมาและที่ไม่ได้ขอมาถ้าได้กีวร์ที่เหมือนกับแนวคำนวณตามประการตามประการดังกล่าวแล้วต้ อ, อาบัตรปาจิตดีเพราะการ ทั้งหูแปดกับปริยะเนี่ยนอนนะแต่ได้ามีทั้งสองแบดกับปิยะก็มีกับปิยะก็มีพันไหนแล้วแต่ที่มันสำเร็จได้ดเป็นไอ ก, กับปิยานะครับหนึ่งพันคือหนึ่งคืนหนึ่งสอบนะไอ้พันนั้นเอ่ยจะเป็นไอสเสกี้ไปดีนะครั บ, 1, 1, 1, 1, 1, นะรบแต่พันไหนที่มันสําเร็จมาจากได้เป็นกับปิยะพันนั้นจะเป็นอบัตท่านบกมามีทางนี้นะนนไอ้เล่าวิใช้ฉนะครับไอลานอกจากนี้ คือังที่มันน่ากับปิยะนะต้องแับทุกกฎหากมีการกำหนดต่ำกว่านะครับคือแต่ละผังแต่ะละผังนะั้นมันไม่ได้ขนาดหนึ่งคืบันอีกสองนะ กปิ้เส้นหนึ่งนะช่างหูนะกับปิย่าอยู the end, ่แล้วนะครับได้เป็นกับปริย่างทุงอย่างไหยนะทีนี้มันมีเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นกับปิยาคนเข้ามานะหรือด้วยได้ที่เป็นกับปริย่างในด้านยาวส่วนด้านกว้างทอด้วยได้ที่เป็นกับปิ้งยางเอามันประสมปนไปเนี่ยมันแยกไม่ออกหรอกมันก็มีส่วนใช่ไหมปมกันนะครับทางกับปิยากับปิย่าอันนี้เนี่ยต้องระบาดทุกกฎนะครับตามจำนวนขนาดดังกล่าวไว พังแต่ังแลพังกี่ังก็แล้วแต่นั้อาบัตก็จะเด่นที่จุดกนะเพราะว่าทั้งกับเปียะกับเปียผสมกันนะด้วยบาร์นี้คุณเห็นความต่างกันแห่งอาบัตเพราะให้ช่างหมที่เป็นกับเียทอได้ที่เป็นอากับเปียให้ช่างหูที่เป็นทั้งกับเยและอากับเปียทอด้ที่เป็นกเปียที่เป็นอากับเปียที่เป็นทั้งกับเียและอากับเีย เอาว่าอย่างนี้สรุปไม่ง่ายว่าทั้งสองฝ่ายเป็นกัปตี้ยะไม่ต้องอบัตเลยไม่ต้องอบัตเลยถ้าฝ่ายในฝ่ายหนึ่งเป็นกัปตี้ยะแตฝ่ายหนึ่งเป็นหัตถกัปตี้ยะมันปีแค่ด้านเดียวนี้นะครับก็จะเป็นอาบัตแค่ทุกกดถ้าิดทั้งสองฝ่ายเลยก็เขาก็เป็นอบัตในสกิยาไปตีนะครับแต่ว่าถ้าสองคนช่วยกัน ก็ได้เราเป็นกัปปิยะนะแต่ถ้าหุมเราเป็นกัปปิยะและกัปปิยะสองคนช่วยกันจับเป็นคนฝันครับแล้วก็ขอกั น, แ, กกนแต่อย่างนี้ถือว่าปนกันนั่งผสมกันแล้วบัตรเจ้าจะวางไว้แค่ทุกกดนะครับแต่ที่มันผสมปนกันแบบใหญ่ไม่น่าอย่างนี้นะโพคุณวิศนุนครับถ้าเราไปดูในเนี่ยสมตานหน้าพรบารมีจตนา ก็ไปหาเองกันนะครันะครับนการอิสดะ น, นะครับแต่ก็ไม่ยาก <c oughs> สินค้าตัวนี้เป็นติกัดปาจิตตินะครับติกับปาจิตติก็คือเป็นได้ที่ขอเข้ามานะ่มันต้วยวามมั่นใจจากพิธีกาอ๋อใช่ใชใชให้เขาทอให้เขาทอนะครับหมายความว่าใช้ใช้ช่างหูได้เป็นอัเปริยะแน่นอน ใช้ช่างหงงที่ไม่ใช่ญาตไม่ใช่ปอนาท่เขทองครับ ก, ก็รู้ทั้งรู้ใช่ไหมว่าเนี่ยใช้ช่างที่ไม่ใช่กับฏญานะรู้ทั้งรู้นะครับสงสัยหรืสําคัญผิดเนะี่ยก็ปไปออกไปทีทั้งนั้นครับทั้งทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ผ้าที่ใช้เขาทอนะครับอันนี้เป็นอย่างไงเอาว่าใช้ช่างหงที่ไปกับญาติเท่ากั้นนะนะครับทั้งสองฝ่ายนะเป็นกับฏญาแหละ แต่ที่สุดสําคัญว่าเป็นผ้าที่ใช้ให้เขาถอดนะครับประเเจนผิดอย่นนะีเราไม่ได้ใช้หรือว่าใช้แต่ว่าเป็นกัปปิยะเราถ้าคิดว่าเป็นอากับปิยะอย่างนี้เนระเเจผิดนะหรือว่ามีความสงสัยนี่ก็ยังต้องอ่านบัตทุกค น, นครหรือว่าเข้ามาทําให้เราเองนะนะเขาไมาใชยามไม่ใช่พราได้เรามันถูกต้องอแล้วแต่ว่าช่างหูเราไม่ได้สั่งเขาเท่าหร่เข้ามาทําให้เราเองใช่ไหม แต่เราเข้าใจาว่าเราเป็นตัดไปจัดใจงเข้าในเขาเน้านไปเข้าใจผิดว่าสงสัยในเรื่องที่ต้องมาทุกข์ได้ต อ, อนปั้นอาบัตที่สูจไม่ต้องอาบัตเมื่อขอได้เพื่อต้องการเย็กเป็นจีวรนี่แหละไม่ใช่เอาได้แยกเป็นจีวรเอาได้าามาเย็กจีวรนะครับเราจะตัดสวงจีวรใขึ้นมาสมัยก่อนนะเขาไมา่ได้มีขึ้นเขาสมัยนี้ก็ต้องมาใช้ได้ดินนะครับเอามาเย็กสี่การ์ดนะหรือเพื่อทําเป็นผ้ารักับ เป็นไรนครับเป็นประคตเอวเอามาทําอังศาทํำถลกบานครับเอามาถักถลกบานนีก็ไม่เป็นนะขอได้ยองมาถักถลกบานนะครับไม่เป็นอาบัตนะเพราะในข้อนี้เข า, เอาขอได้มาขอจีวานครับก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นอาบัตเพราะว่าขอจีวรกับคนไม่ใช่ยาไม่ใช่ปอนะเพราะเราไม่ได้ขอจีวรเราขอได้ <c oughs> ต้องการถักถลกบานก็ไม่มีได้ไปขอยมเลย โยอัตมา <c oughs> ได้อันนี้เป็นอาบัติเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วผ้ากองน้ำเอาออามาทำผภาของน้ำนะครับอันนี้ไม่เป็นอาบับาติ เ, เ, าาตนน เ, เลยให้ช่างทอที่เป็นญาและผลประวานาทอด้วยได้ที่เป็นกัปปิยะใช่ไหมเนี่ยบริสุทธต้องสองฝายเนี่ไม่ต้องอาบัเลยให้เขาทอเพื่อประโยชน์แก่ที่สุบื่อ น, นี่ครับอันนี้ไม่ได้ทอเพื่อตนนะแต่ใช้ทอเพื่อพะระลูกบุญนี้ก็ไม่เหมือนกันนะ ให้ทอด้วยเจ้ของตนและพิสูจบ้างเป็นต้นนี้ก็ไม่ต้องลำบากาอันนี้เจ น, นี่จะบริสุทธิ์ไหมไม่ทอเพื่อตนแต่ให้ทอเพื่อผู้อื่นแต่บางทีก็หมายถึงว่าไปใช้ยาตัวนาของคนนั้นแหละนะให้ทอให้คนนั้นแหละนะครับไม่ใช่ยากัวณาเราใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไปบอกให้ทอให้เพื่อคนนั้นแหละครับอันนี้ก็ไม่ต้องลำบักนะ องอาบัต น, นะครับสินค้าวันนี้มีองสามนี้คือหนึ่งเป็นได้ที่ขอมาเพื่อต้องการให้ทอเป็นจีวอกี่เลยนะใจจะนาไม่อย่างนี้นะครับสองเป็นจีวะของตนเนี่ยเอามาทอยตนเองมาเพราะว่าเสีแล้วเพื่อนคนอนไม่เป็นจริง น, นะแล้ว ไ, ไม่ได้พบองนะครับสามให้เขาทอด้วยการขอที่ไม่สมควรก็เขาไม่ใช่ยามันจะปิด น, นะนก็ไปขอก็ไม่ได้ เมือเางศาน้ต้องอาบัติมิตรที่จไปตีในสิ้าบทนี้ที่มันจะถานทั่วสมัยเราไปขอจีวรในกรณีไหนบ้างที่ว่าไม่ต้องอาบัติครับที่เป็นาครับประวานขอข้าย่าขอจไม่ชอบพ่อขอแม่จนพ่จีวรหาไห่ไมแล้วก็อะไร เสียหายแบบมันไม่เหลือเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวกันอะไรอีกค <c oughs> รับมีแค่นี้ใช่ไหมแค่แค่นี้นะครับ อ, อ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่กนนรณีแบบนี้ยไม่ได้หรอกจะเป็นการไปขอเรียนตรง <c oughs> ทํามิตรอภาพปริศนาอะไไม่ได้ทั้งนั้นใช่ไรัอันนี้มันจะมีปัจจัยสี่นะ จีวอนมิทบาลใช่ไหมพวกนี้เนี่ยไม่ได้เลยครับมันได้เพราะที่ว่ามีเหตุตงนั้นนะแต่ถ้าทํางานไม่มีเหตุนี่ไม่ได้จะเป็นขอเรตองในอ้อมไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นเสนาหน้าหน้านนใช่ไหมครับขอเรตองไม่ได้ทานี้ิม่ได้นะเสนาสหน้าตไว้เขียนภาพไว้หน้าสติหน้าธนาเลยเราต้องการค่างภาพไม่ได้เขียนเพราะว่าถ้าสมงต้องการไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะครับนั่งเป็นการขอแล้ว ว่าภาพนี้เขาดูว่าเราเนี่ยกำลังจะทาอะไรจะทำอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละหรือถามว่าเ อ, อย้ยโยมโยมอยู่อะไรนะโยอมอยู่อะไรที่ไหนเนะี่ยอยู่บ้านเ ป, <c oughs> ป็นยังไงบอกว่าหลวงพี่โยมอยู่คอนโด <c oughs> แล้วก็บอกเ อ, อ้าคอนโดไม่ไม่ควรเกี <c oughs> <c oughs> ่ยวข้าเลยเป็นลักษณะการนิมิตนะนิมิตภาพหรือเอกสารในทางนั้ น, นะครับ <c oughs> นอกจากการขอตรงตรงขอไม่ได้การนิมิตภาพ นาชนะนะเดี๋ยวถ้าเป็นยาหนักป่วยนี่ก็ขอได้เลยนะครับเดี๋ยวว่าต้องป่วยแบบนั้นขอเพื่อนเองก็ดีขอให้เพื่อนที่ป่วยก็ดีอันนี้ก็ใช้ได้ า, าีเราไม่เปะนไรเป็ยยนใหญ่นะต่อไปนะครับมาตอบกลับคครับคือให้ทอได้ให้ทอได้ทราบตนเองเนี่ยครับหมายถึงอะไรอ๋อครับอันนี้หมายพราะว่าเรามี ยันธ์นะสมงกะทสังากงาอะไรก็แล้วแต่เราก็ไปใช้ต้องบอกว่าโยอตมามีของหนึ่งถันะแต่ตมาต้องการจะได้จีวรต้องการให้ถอดจีวร น, นะอ่าครับต้องการที่จะต้องกาให้ถอดจีวรได้นะได้ครับแต่บอกเรามีสิ่งนี้นะครับเราต้องการถอดจีวรเราได้เนี่ยถอดจีวรครับแล้วก็บอกมาทีเขาก็รู้เองใช่ไหม เป็นการแลกเีที่ถูกต้องก็บอกให้ความประสงค์ใช่ไหมครับเรามีสิ่งนี้ต้องการแบบนี้นะครับนี่ได้ครับนี่ที่ว่าให่ขอด้วยซ้ำของตนหรือเราจะเจออะไรสักอ่างเรก็จะมีคําว่าแรกมาด้วยซ้ำของตนก็ใช้ก่อนดีนี้แหละนะครับแรกน้วยกับปิยภูมิค่ะก็อย่าง<น>อย่างเช่ว่าต้องมีไฟปลระด า, าอย่างนี้ครับสมมติเ ร, ราคติว่าเ ร, รา ตัวนั้นต้องผ่านยม่าครับต้องถามวิญญวิเศษก่อนเราขอได้กับแค่มยมวิญ่าณวิก่อนนะรเราจะเอาตัวนานเอาไปแลกโดยขบยะอุหานใช่ไหม <laughs>